เจริญพรชาวสารคามวันนี้หลวงพ่อมาเทศมหาสารคามเนี่ยครั้งแรกส่วนมากไปทางภาคเหนืออะไรเงี้ยภาคอีสานส่วนมก็ไปแค่จังหวัดสุรินยังไม่เคยขึ้นมามหาสารคามอาจารย์นิตไกลับคุณดวงพร ไปฟังเทศที่สุรินทะร์ก็ไปนิมนต์หลวงพ่อม า, มาบอกคนทางนี้สนใจธรรมะในภาคปฏิบัตินีมากหลวงพ่อมาดูเขาก็ ม, มากจริงๆนะแต่หลายคนหน้าตาคุ้นๆธรรมะนะเป็นของดีของพิเศษแต่ถ้าเรายังไม่รู้จักคุณค่ายังไม่เห็นคุณค่าเราก็รู้สึกว่างั้นๆแหะ ไม่ไม่ใช่เรื่องน่าสนใจเท่าไหร่คือธรรมะภาคปฏิบัตินี่มันอยู่ที่ใจของคนฟังเป็นหลักเลยถ้าจิตใจของคนฟังไม่มีความพรนะ้อมธรรมะมันก็ตื้นๆ น, นะไม่ปฏิปตะต่อพวกเราเคยได้ยินคำว่าการเรียนรู้แบบจิตสู่จิตไหม ปรบาอาจารย์สยกรรมาฐานจริงๆเวลาสอนธรรมะไม่ได้จํามาสอนไม่ได้ท่องมาสอนไม่ได้เตรียมการสอนแต่สอนด้วยจิตล้วนๆเลยจิตของเรากระทบกับจิตของท่านนะธรรมะของท่านก็จะถ่ายทอดออกมาให้พอดีกับจิตใจของเราถ้าจิตใจเราวกแวกนะธรรมะก็วอกแวกไปด้วยถ้าจิตใจเราสงบจิตใจเราตั้งมั่นมีคุณภาพธรรมะก็รประณีตลึกซึ้งค่อยแผ้วถาง บุกเบิกกิเลสในใจของเราตะรู้ตารวงเข้าไปเป็นลําดับลําดับธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะธรรมะจริงๆเป็นเรื่องของตัวเราเองเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของเราเองนี่เราชอบวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะให้มันลึกลับดูยากยากเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมก็คิดถึงการนั่งสมาธิการเดินจงกรม การนั่งสมาธิการเดินจงกรมนะั้นเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติสิ่งที่สำคัญรูปแบบมันก็สำคัญเหมือนกันนะแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่ารูปแบบก็คือจิตใจของเรานะั้นมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติทมแค่ไหนเราอย่าไปวาดภาพว่าต้องไปนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมมา ก, มากๆถึงจะเป็นนักปฏิบัตินะตัวสาคัญของการปฏิบัตินต้องมีสติ สติก็คือขาดการปฏิบัติมีสติคือมีการปฏิบัตินี่ครูบาอาจารย์กรรมฐานสนะอนกันมาอย่างนี้นะแต่ในแต่ไรนี่หลังๆเราลืมคำ ว, ว่าสติไปเราไปเน้นแต่เรื่องสมาธิคิดว่าถ้ามีสมาธิก็มีการปฏิบัติไม่มีสมาธิไม่มีการปฏิบัติความจริงการทําสมาธินั้นเป็นการพักผ่อนให้จิตมีเรี่ยวมีแรงเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมถ้าจิตมีความพร้อมแล้วจะต้องออกมาปฏิบัติคือมาเจริญปัญญา การปฏิบัตินั้นมันมีอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเป็นขั้นในการเตรียมจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาอันนี้หลาจะต้องฝึกให้จิตมีสมาธิเราอย่าไปวาดภาพว่าจิตมีสมาธิเราต้องนั่งหลับตานะต้องเห็นโน้นต้องเห็นนี่นะถอดจิตไปเฝ้าพระอินได้ไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ได้ไอ้นั้นสมาธิออกนอกสมาธิที่สําคัญเนะี่ยก็คือการที่เรามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเรื่องสำคัญนะถ้าขาดความรู้สึกตัวจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีสติถ้ามีสติเรารู้สึกกายมีสติเรารู้สึกใจนะจิตใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจคนในโลกนะไม่ขาดสติคนในโลกเนี่ยมันลืมตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายนะผ่านไปปีแล้วปีเล่า อยู่ไปนานเท่าไหร่เท่าไหรนะก็อยู่กับโลกของความหลงหาความรู้สึกตัวนะหายากมากเลยเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะหลวงพ่อสอนเพื่อนไว้กลุ่มหนึ่งสอนให้รู้สึกตัวยังไม่ถึงขั้นเจริญปัญญาเลยนะขั้นแรกเนะี่ยต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนพอรู้สึกตัวเป็นแล้วถึงจะเจริญปัญญาได้ในขั้นที่จะให้รู้สึกตัวเนะี่ยคนในโลกนะหาคนรู้สึกตัวนะี่ยากเต็มทีเลยมันมีแต่คนหลงคนเผลอ เอาง่ายๆเลยอย่างพวกเราแต่ละคนนะเรารู้สึกไหมเรามีร่างกายเรามีจิตใจของเรามีมาตั้งแต่เกิด น, นะแต่เราลืมกายเราลืมใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะมีร่างกายเราก็ลืมมันมีจิตใจเราก็ลืมมันเราลืมตัวเองอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสตนะิจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะใช้ไม่ได้การปฏิบัติทำจริงๆนะคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้ตัวเอง ถ้าเราเรียนรู้ตัวเองเราเข้าใจตัวเองได้เนีเราจะเข้าถึงสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ต้องการเมื่อก่อนมันมีนักจิตวิทยาคนนะชื่อ Mas นายมัสโลนายมัสโลเนี่ยนะสอนไว้เลยว่ามนุษย์มีความต้องการเป็นขั้นขั้นไปต้องการอยู่รอดต้องการปลอดภัยต้องการเป็นลําดับลําดับไปนะจนกระทั่งมีความมั่นคงมีชื่อเสียงอนะไรความต้องการขั้นสุดท้ายของมนุษย์นะคือการรู้จักตัวเองการค้นพบตัวเอง บอกมนุษย์คนไหนถ้าสามารถค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองได้นะจะเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองอันนี้ก็สอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราหาตัวเองให้เจอเราะฉนั้นเราต้องไม่ลืมตัวเองถ้าเราลืมตัวเองสักอย่างเดียวนะเราก็ไม่มีวันหาตัวเองเจอร่างกายเรามีอยู่ตรงนี้นะเราก็ลืมมันทั้งวันเลยจิตใจของเราก็มีอยู่แต่เราก็ลืมมันทั้งวันครั้งหนึ่งตานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ มีเจ้าชายกลุ่มหนึ่งนะสสบคนเรียกกลุ่มพัทธวัคคีเที่ยวตามหาผู้หญิงนะผู้หญิงขโมยเครื่องประดับของแกไปแเที่ยวตามหาไปเจอพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมาทางนี้ไหมท่านถามเลยว่าจะไปหาผู้หญิงคนนั้นดีหรือจะหาตัวเองดีจะค้นพบตัวเองดีกว่าพวก30สคนนี้แบบ ถ้าอางนั้นไม่หาผู้หญิงแล้วจะขอเรียนรู้จะค้นหาตัวเองเนี่ยธรรมะจริงๆนะมันเป็นการเรียนรู้ตัวเองค้นหาตัวเองนั้นถ้าเราขาดสตินะเรามีร่างกายเราก็ลืมมันไม่มีทางจะเห็นความจริงของร่างกายได้ถ้าเรามีจิตใจเราก็ลืมมันเราไม่มีวันที่จะค้นพบความจริงของจิตใจตนเองได้คนในโลกมีแต่คนหลงหาคนรู้สึกตัวไม่มีเลยทุกคนมีร่างกายทุกคนมีจิตใจแต่ทุกคนลืมมันตลอดเวลา งั้นสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องฝึกให้ได้นะคือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าฟุ้งซ่านไปที่อื่นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละคือสภาวะที่จิตมีสมาธิที่แท้จริงสมาธินั้นมันมีสองระดับมีสองแบบสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยเอาไว้พักผ่อนสมาธิพักผ่อนเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าหรือสีชีไพรอะไรเขก็ฝึกสมาธิพักผ่อนชนิดนี้ วิธีฝึกสมาธิพักผ่อนนะครับเราก็เลือกอารมณ์นะเราจิตใจของเราเนะี่ยชอบอารมณ์อะไรคนไหนชอบพุโทโธอยู่กับพุโทโธคนไหนชอบหายใจอยู่กับมณมหายใจพอจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่ตัวเองชอบนะไม่หนีไปที่อื่นมันไม่ไปเองมันพอใจแล้วเหมือนอย่างบางคนชอบดูฟุตบอลนะเวลามีบอลโลกบ อ, อะไรนะดูได้ทั้งคืนเลยไม่มีใครบังคับให้ดูนะก็ดูได้มีความสุขที่จะดูนะ บางคนชอบเล่นไพ่นะเล่นได้โต้รุ่งมีความสุขที่จะเล่นไพ่บางคนชอบอะไรก็ชอบอ่านนิยายใช่หอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราชอบอะไรนะจิตใจเราจะอยู่ที่นั่นจิตใจจะไม่หนีไปที่อื่นจิตใจจะจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวถ้าจิตใจเราจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวเนะี่ยเรียกว่าเราได้สมาธิชนิดสมถะกรรมฐานสมาธิชนิดที่เอาไว้พักผ่อนจาเป็นไหมจาเป็น ถ้าจิตใจไม่เคยพักผ่อนนะจิตใจไม่สงบนะจิตใจจะไม่มีกําลังเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราต้องมาฝึกนะให้จิตใจได้อยู่ในอารมณ์มันเดียวก่อนจิตใจของเราปรกติจะหนีไปเที่ยวตลอดเวลาหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปคิดนะจิตใจเราหนีตลอดเวลานะเราไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยงั้นเราต้องมาฝึกนะให้จิตใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวก่อนนะเช่นอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องผองยุบก็ได้กรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดอ่ะ ไม่ดีไม่เลวต่างกันเลยนะงั้นคนไหนถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตก็สงบเข้ามาไม่หนีไปไหนไม่ฟุง้งซ่านในจิตใจก็จะสงบลงมานี้มันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิสงบเนี่ยเอาไว้พักผ่อนมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิซึ่งจิตเนี่ยตั้งมั่นในความเป็นจริงคําว่าสมาธิเนี่ยไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิจริงๆแปลว่าความตั้งมั่นของจิต จิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่หลงไปแส้ายไปนะมันจะเป็นจิตที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานคำว่าพุทโธพุทโธนะหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าพุทธพุทธนะเนี่ยแปลก็คือแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตของเรานั่นเองเราจะต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมชาติของจิตเราเนี่ยจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน คืจิตของเราจะหลงไปคิดทั้งวันคนไหนจิตไม่คิดบ้างมีไหมรู้สึกไหมเราคิดทั้งวันคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ทั้งวันไหมแม้จิตเราเป็นผู้คิดผู้คิดกับผู้รู้เนี่ยไม่เหมือนกันตัดข้างกันเมื่อไร่เป็นผู้รู้เมื่อนั้นไม่เป็นผู้คิดเมื่อไหร่เป็นผู้คิดเมื่อนั้นไม่เป็นผู้รู้วิธีที่จะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้นะค่อยๆฝึกเอาหัดพุทโธหัดอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่เวลาจิตมันไปคิด จิตมันหนีไปคิดนะรู้ทันมันจิตหนีไปคิดรู้ทันมันเรื่อยๆถ้าเรารู grasp, nous, ้ทันจิตที nement, ่หลงไปคิดบ่อยๆนะต่อไปจิตรู้จะเกิดขึ้นตรงที่มีจิตรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาการเจริญสติในชีวิตประจําวันนั้นเป็นรูปแบบเป็นวิธีการเจริญปัญญาที่สําคัญยิ่งเลยนะถ้าเราจะเจริญปัญญาเนี่ยเจริญอยู่ในรูปแบบก็ได้นะเจริญในชีวิตประจําวันก็ได้ จะนั่งสมาธิอยู่แล้วเจริญปัญญาเขาไดนะ้แต่คนคนหนึ่งจะนั่งสมาธิวันละสักกี่ชั่วโมงกันชีวิต ส, ส, ส่วนใหญ่ของเราอยู่ข้างนอกนี่เพราะฉะั้นเราต้องหัดเจริญปัญญาในชีวิตประจําวันนี้ให้ได้ในนี้บอกให้เจริญสติในชีวิตประจําวันนะหลวงพ่อพัฒนาไปอีกขั้นนะึงไม่ใช่เจริญสติอย่างเดียวต้องเจริญปัญญาในชีวิตประจําวันด้วยนะมีสติอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีปัญญาด้วยนี่วิธีการนะขั้นแรกเลยเราต้องฝึก จิตให้เป็นผู้รู้ซะก่อนจิตของเราชอบคิดคิดลูกเดียวหนีไปคิดเรื่องโน้นหนีไปคิดเรื่องนี้หนีไปคิดอดีตหนีไปคิดอนาคตอย่างคนกรุงเทพนะเขามีความทุกข์มากตอนนี้เขาคิดอนาคตกลัวน้ําท่วมบ้านคิดคิดคิดนะคิดจนงดหงิดนะเมื่อไรจะท่วมอยากให้ท่วมท่วมไปรู้แล้วรู้รอดไปคนที่น้ําท่วมไปแล้วนะท่วมใหม่ๆก็ปรับตัวได้สบายใจท่วมนานๆนะเห็นคนอื่นไม่ท่วมคิดอีกละคิดมากนะ ทำไมบ้านอื่นไม่ท่วมมันท่วมแต่บ้านเราอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ก็คิดมากอีกละสิ่งที่ทํำร้ายพวกเรารุนแรงที่สุดในทุกวันนี้นะคือความคิดของเราใจของเราเนี้ยแอบไปคิดด้วยคิดแต่อดีตคิดไปอนาคตนะคิดกังวลไปโน่นคิดอะไรอาวรในสิ่งที่ผ่านไปแล้วคิดกังวล น, นะในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอะไรเงี้ยใจเราหลงไปอดีตไปอนาคตตลอดเวลา เ ร, rejoice, เ, รเราต้องมาฝึกเจิตใจเราอยู่ก right. ับปัจจุบ right. ันให้ได้จิตใจเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะหายใจอยู่ก็รู้สึกยืนอยู่ก็รู้สึกนั่งอยู่ก็รู้สึกเดินอยู่ก็รู้สึกนอนอยู่ก็รู้สึกแล้วงคอยรู้สึกตัวบ่อยๆจิตใจมันไม่รู้สึกเนี่ยเพราะว่ามันหนีิกจิดงั้นวิธีที่จะฝึกให้รู้สึกตัวได้บ่อยๆนะก็คือหัดรู้ทันเวลาจิตหนีไปจิตอันนี้เป็นวิธีการแล้วนะนักเรียนนักศึกษาจำเอาไว้ วิธีที่เราจะมาเจริญสติในชีวิตประจําวันได้อันแรกเลยเราต้องฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาก่อนให้หลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้วิธีที่เราจะหลุดออกจากโลกของความคิดได้ก็คือรู้ทันเวลาที่จิตมันหนีไปคิดเพราะฉนั้นเวลาจิตแอบไปคิดให้รู้ว่าหนีไปคิดแล้วหนีไปคิดอีกรู้อีกนี่อยู่ๆจะรู้นี่มันก็รู้ยากมันต้องมีวิธีการนะมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ งั้นเรใครจะหัดพุดโทโธก็ได้หักหายใจก็ได้หัดดูท้องพองยุบก็ได้แต่ไม่ได้หัดให้จิตสงบไม่ได้หัดให้จิตนิ่งหัดคอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดลองทําดูในใจเรานะลองท่องพุโทโธในใจเราก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะเดี๋ยวมันไม่ยอมพุโทโธเดี๋ยวมันหนีไปคิดเรื่องอื่นพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันมันนะพอเรารู้ทันมันจิตของเราก็จะเปลี่ยนสภาพ จากจิตผู้คิดมาเป็นจิตผู้รู้พอมีจิตผู้รู้แล้วแหละเราถึงจ ะ, จะเจริญปัญญาได้จะเจริญปัญญาในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วจเจริญปัญญาหรือจะเจริญปัญญาจเจริญสติจเจริญปัญญาในชีวิตประจาวันก็ต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ให้ได้ก่อนถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้สักก่อนเนี่ยไม่มีทางที่จะเจริญสติจเจริญปัญญาได้จริงนะพอไหวไหม αι? พอเข้าใจไหมยากไปไหมถ้ายากนะไปฟังซีดี หลวงพ่อมีซีดีให้ฟังนะฟังไปคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้ฟังกันทั่วโลกเลยนะมีมาบอกจากประเทศโน้นประเทศนี้แต่เอธิโอเปียอะไรยังไม่มีนะส่วนมากเป็นประเทศที่โตๆหน่อยนะเพราะฟังซีดีเรื่อยๆระทั้งจิตนี่หลุดออกจากโลกของความคิดได้จิตตื่นขึ้นมานับจำนวนไม่ท้วนนะตอนนี้งั้นพวกเราก็หัดพวกเราก็ไม่ได้งงว่าคนอื่นเท่าหรอกนะเราหัด เวลาจิตเราแอบไปคิดเนี่ยเราคอยรู้ทันจิตแอบไปคิดเราคอยรู้ทันฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนนี่คือสิ่งแรกที่เราจะฝึกคือฝึกให้รู้สึกตัวให้เป็นจิตที่รู้สึกตัวเป็นก็คือจิตที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิชนิดที่พร้อมสําหรับการเจริญปัญญายากไปไหมถ้ายากไปยกมือเลยนะก็<ม>พูดได้หลายเวอร์ชั่นพวกที่หน้าขหน้าเ น, นี่ยแต่ละคนหน้าตามันภาวนากันเก่งๆ เ, เ, เยอะเวลาเทสไม่เจอเออร์ไป เทศงั้นพวกเราหัดเริ่มแรกเอางี้นะสรุปนะเบื้องต้นเราจะต้องหัดรู้สึกตัวให้ได้ซะ ก, ก่อนแล้วเบื้องต่อไปเราขั้นที่สองะถึงเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันวิธีที่จะฝึกให้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง พุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องผ่องยบก็ได้ขยับมือทําจังหวะก็ได้อะไรก็ได้สรุปง่ายๆว่าอะไรก็ได้นะทำกรรมฐานขึ้นอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตแอ บ, บไปจิตอย่างขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนขยับมือขยับมือก็ได้แต่ขยับมือนะั้นไม่ใช่ขยับแล้วก็ใจลอยไปที่อื่นไม่รู้ตัวอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรือขยับมือแล้วก็ไปเพ่งอยู่ที่มือนะให้จิตนิ่งอยู่กับมือไม่คิดไม่นึกอะไรเพ่งอยู่นิ่ง อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เราพยายามทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งหายใจก็ได้พุโทโธก็ได้ขยับมือก็ได้ดูท้องผองยุกก็ได้เดินจงกรมก็ได้แต่ถ้าทำกรรมฐานอะไรแล้วนะจิตหลงไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะจิตหลงไปคิดแล้วรู้ทันจิตหลงไปคิดแล้วรู้ทันในสุดจิตเราจะตื่นขึ้นมาเป็นเรื่องอัศจรรย์ทันทีที่จิตตื่นเราจะพบว่าอัศจรรย์อย่างเลย อยู่เฉยๆเนี่ยนะมันจะมีความสุขเนี่ยผุดขึ้นมาในใจเราเป็นเรื่องแปลกนะทุกวันนี้เราวิ่งหาความสุขเันแทบเป็นแทบตายเลยความสุขอยู่ไหนหาไม่เจอหรือเจอแล้วก็แว บ, บเดียวหนีไปละเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่คอยรู้สึกตัวนะจิตหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปรู้ทันอย่าไปบังคับจิตนะถ้าไปบังคับว่าห้ามจิตหนีไปแล้วก็เครียดตายเลยไม่ต้องห้ามมันงั้นพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปละนะหนีไปอดีตหนีไปอนาคต ไม่ต้องสนใจว่าจะหนีไปไหนแค่รู้ว่าตอนนี้มันแอบนะพิคิดละนะพุทโธไปหายใจไปก็ได้หายใจไปหายใจออกหายใจเข้าในะจิตนี้ไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปอดีตไปอนาะคตเขาช่างมันแค่รู้ว่ามันหนีไปคิดนี่คือการปฏิบัติสําคัญมากเลยในขั้นที่หนึ่งก่อนที่หลวงพ่อจะบวชนะหลวงพ่อตรวเวนไปตามสำนักปฏิบัติต่างๆเนี่ยไปมหามากมายเลย เพจะไปดูว่าเราจะไปบวชที่ไหนดีไปดูเขาภาวนาไปดูเขาปฏิบัติกันนะเสร็จแล้วมันทำไม่เหมือนกันนะแต่ละที่แต่ละที่จะส่วนมากจะไปเน้นที่รูปแบบของการปฏิบัตนะิไปติดที่ตัวรูปแบบบางคนก็ไปเน้นเรื่องทาจังหวะบางคนก็เน้นดูเวทนาบางคนเน้นเดิ น, ดนจงกรมอนะไรดูๆแล้วไปติดนะเขาก็ดีของเขานะแต่ว่ามันไม่มีใคร สอนกรรมฐานอย่างที่เราเคยเรียนจากครูบาอาจารย์มาเรียนจากครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดูลยหลวงปู่เทศต์อย่างนี้นันหลวงปู่สิมอะไรที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนเรื่องให้มีสติท่านสอนด้วยซ้ำไปนั้นมีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัติรูปแบบนี่เป็นเรื่องรองนะสติเป็นเรื่องหลักนั้นเราต้องมาฝึกให้ได้สติดูดูดนะัมีแต่คนทํารูปแบบแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเจริญสติ วิธีเจริญสติบอกแล้วนะทําในรูปแบบนั่นแหละแต่ไม่ได้ทําเพื่อให้สงบแต่ทำเพื่อจะรู้ทันเวลาจิตแอบไปคิดนะวันนี้เราลองทําเลยนะกลับบ้านไปกลับบ้านไปลองทุกวันหัดพุทโธวันละหนาทนะีพวกนักศึกษานักเรียนนะพุทโธวันละหนาทีสิบนาทีก็ได้หรือนะหายใจวันละหนาทีสิบนาทีนะว่าเราหายใจมาทั้งวันาหายใจทิ้งเปล่าๆไปตั้งทั้งวันแนละ้วก่อนนอนหรือ ตื่นเช้าขึ้นมาเราหายใจสักสินาทีหายใจแล้วค่อยรู้ทันค่อยรู้สึกตัวไว้หายใจแล้วเห็นร่างกายมันหายใจใจรู้สึกแใ่เป็นคนดูจิตมันหนีไปคิดคอยรู้ทันจิตมันหนีไปคิดคอยรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะในสุดเราจะได้ภาวะแห่งความตื่นขึ้นมาจิตที่ตื่นนะเป็นจิตที่นุ่มนวลอ่อนโยนเบิกบานนะว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อไม่เครียด ถ้าจิตเราภาวนาแล้วเครียดเครียดแสดงว่าทําผิดแล้วจิตพุตโธจิตพุตทนะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่มีความสุขอยู่ในตัวเองนะนั่งอยู่เฉยๆนะั่นแหละรู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะมันจะมีความสุขปุดขึ้นมาเองนะมีความสุขขึ้นมานี้พอเราฝึกจกนกระทั่งจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วรู้ตัวแล้วต่อไปก็ามาถึงขั้นการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นทําได้หลายแบบ จะทำสมาธิก่อนแล้วเจริญปัญญาทีหลังก็ได้อย่างครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยจะเน้นทำสมาธิก่อนแล้วเจริญปัญญาทีหลังถ้าคนไหนชํานาญทั้งทำสมาธิและชํานาญการดูจิตนีจะได้เปรียบคือทำสมาธิไปด้วยเจริญปัญญาไปด้วยนี่ทำอย่างนี้ก็ได้ไม่เหมือนกันนะระหว่างทำสมาธิไปก่อนออกจากสมาธิแล้วมาเจริญปัญญา กับนั่งสมาธิอยู่นี่แหละแล้วเจริญปัญญาอยู่ในสมาธินี่ทําได้สองแบบเลยนะแบบที่สเนี่ยจเจริญปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังอนะันนี้แหละคือการเจริญสติในชีวิตประจําวันนะพวกเราคนยุคนี้โอกาสที่จะนั่งสมาธิจนกระทั่งเชี่ยวชาญในการนั่งสมาธินะแล้วเชี่ยวชาญในการรู้ทันองค์ธรรมที่เกิดขึ้นในสมาธิเห็นองค์ธรรมเกิดเห็นองค์ธรรมดับเนี่ยทุกวันนี้หายากมาก พวกเราไม่ชำนาญในเรื่องสมาธิคนรุ่นเรานี่คนคิดมากนะสิ่งยั่วยวนให้คิดมีทั้งวันนะเปิดโทรทัศน์ก็มีแต่สิ่งที่ยั่วให้คิดไหมเปิดหนังสือพิมพ์ก็มีสิ่งยั่วให้คิดคุยกับคนอื่นก็มีแต่สิ่งที่ยั่วให้คิดโอกาสที่พวกเราจะนั่งสมาธิให้จิตสงบเป็นหนึ่งนะแล้วมาเจริญปัญญาในสมาธินี่ทำได้ยากกระทั่งทําสมาธิให้จิตสงบแล้วออกจากสมาธิมาเจริญปัญญายัางยากเลย ทุกวันนี้จะให้นั่งสมาธิจนถึงอัปปนาสมาธิเข้าฌานได้นับตัวได้มีคนทำได้นับตัวได้พวกเราส่วนใหญ่ทำไม่ไดนะ้เมื่อพวกเราส่วนใหญ่ทำไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเรานะท่านสอนกรรมฐานชนิดที่สามเอาไว้คือการที่จเจริญปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิจะเกิดตามหลังนะวิธีจเจริญปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิเกิดตามหลังเนะี่ย ไม่ยากอะไรแต่ก่อนอื่นต้องรู้ซะก่อนว่าคําว่าปัญญานั้นคืออะไรถ้าเราจะเจริญปัญญาแต่เราไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรมันก็เจริญไม่ได้ปัญญานั้นคือการเข้าใจคือตัวความเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่ว่าเรียกว่าตัวเราเข้าใจความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือร่างกายจิตใจนี่เอง ปัญญานี่แหละเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจแล้วอะไรคือความเป็นจริงของร่างกายอะไรคือความเป็นจริงของจิตใจนะไตรลักษณ์นะคือความเป็นจริงของกายไตรลักษณ์คือความเป็นจริงของจิตใจความเป็นจริงของกายของใจคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าจะเจริญปัญญาเนี่ยแล้วยังไม่เห็นไตรลักษณ์นะ ไม่ใช่การเจริญปัญญาที่แท้จริงการเจริญปัญญาเพื่อจะพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานพ้นทุกข์ได้เด็ดขาดในชีวิตนี้เรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการที่เราสามารถเห็นความจริงของกายของใจของรูปของนามความจริงของรูปนามคือไตรรัก ไม่ใช่ปฏิกูลาสุภานะอย่าไปพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเจารณาสุภาอะไรนี่ไม่ใช่วิปัสนาเป็นสมนถะกรรมฐานทำแล้วจิตสงบเท่านั้นเองงั้นถ้าอยากจะฝึกให้ได้วิปัสนาเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของใจดูการบังคับไม่ได้จริงของกายดูการบังคับไม่ได้จริงของจิตใจนะตรงที่บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นั่นแหละคือตรงกับคําว่าอนัตตาตรงที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะัเรียกว่าอนิจจง ทุกขังมันทนอยู่ในภาวะอันแดอนหนึ่งไม่ได้สิ่งใดเป็นอนิจจังสิ่งนั้นก็เป็นทุกขังดูอนิจจังอนัตตาเขาได้นะแล้วในชีวิตประจําวัดเราจะทําไงถึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจท่า น, นแรกรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วนะอย่าไปบังคับตัวเองให้ผิดธรรมชาติธรรมดาเราต้องการเรียนรู้ความจริงของกายเราก็อย่าไปดัดแปลงให้ร่างกายผิดธรรมดา เราต้องการรู้ความจริงของจิตใจก็อย่าไปดัดแปลงจิตใจให้ผิด ธ, ธรรมดาร่างกายเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนี่เป็นหลักของการเจริญสติในชีวิตรประจำวันที่สําคัญนะร่างกายของเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าใช่ไหมเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าใช่เปล่าเเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนใช่ไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มันหายใจออกแล้วมันก็หายใจเข้ามันแสดงว่าอะไรแสดงว่าการหายใจออกก็ไม่เที่ยงการหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงนะการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ไม่เที่ยงยืนเดินนั่งนอนก็เปลี่ยนไปเรื่ อ, อยๆนะเนี่ยแสดงความจริงของมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจิตใจก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกนะารเจริญสติในชีวิตประจวันเนี่ยถ้าเราไม่ถนัดเรื่องกายนะเราดูความเปลี่ยนแปลงที่จิตเลย นะพวกเราเป็นคนที่คิดมากคนรุ่นนี้นะคนรุ่นพวกเราเนี่ยเราทํางานที่ใช้ความคิดมากมายเหลือเกินในแต่ละวันแต่ละวันแล้วเราก็รับข้อมูลข่าวสารอย่างมากมายในแต่ละวันจิตใจของเรานะกระเพื่อมหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาทุกคราวที่ตามมองเห็นนะใจเราก็หวั่นไหวนะยินดีบ้างยินร้ายบ้างสุขบ้างทุกบ้างนะเป็นกุศลบ้างโลภหลดหลงบ้างเวลาหูเราได้ยินเสียงนะใจเราก็กระเพื่อมหวั่นไหวเกิดสุขบ้างเกิดทุกบ้าง นะเกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างเวลาใจเราคิดนะก็เกิดกระเพื่อมบั่นไหวยินดีบ้างยินร้ายบ้างมสุขบ้างทุกบ้างนะโลภ บ, บ้างโกรธบ้างนะหลงบ้างงั้นตลอดเวลาที่มีการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะจิตของเราก็เพื่อมบั่นไหวตลอดเวลาจิตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือการเจริญสติในชีวิตประจวัน การเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยต่างกับการเจริญสติเจริญปัญญาในรูปแบบในรูปแบบเนี่ยเราจะปิดตาหูจมูกลิ้นกายไปก่อนเหลือใจอันเดียวนั่งสมาธิไปแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำอยู่ในรูปแบบมันตัดการกระทบอารมณ์บางอย่างออกไปแต่การฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติเลยมีตาเราก็ดูมีหูเราก็ฟังมีใจเราก็คิด ไม่ใช่มีตาก็ไม่ดูมีหูก็ไม่ไม่ฟังนะมีใจก็ไม่คิดถ้าอยงั้นคนตาบอดคนหูหนวกนะค น, คนพิกลพิการคิดอะไรไม่เป็นก็บรรู้ผ้าละหันหมดไม่มีใครหรอกที่จะบรรลุแบบนั้นเราต้องให้ตาหูจมูกลิ้นใจใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาตนะิอย่างตาของเรามองเห็นเราเดินเดินอยู่ริมถนนนะเห็นเพื่อนเราอยู่คนละฝั่งถนนมันดีใจขึ้นมาแม้ตาเรามองเห็นมันเกิดความดีใจขึ้นมาให้เรารู้ทัน ว่าความดีใจเกิดขึ้นนะเราเดินเดินอยู่เห็นหมาบ้าวิ่งมาเป็นไงดีใจไหมหมาบ้าวิ่งมาเพราะตามองเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวให้รู้ทันว่าใจกลัวแล้ววิ่งเร็วๆนะวิธีหนีหมาบ้าไม่ต้องวิ่งเร็วที่สุดนะวิ่งชนะคนที่ช้าที่สุดคนเดียวก็พอแล้วนะอย่างเสือไล่นะถ้าเสือไล่เราไม่ต้องวิ่งแบบแชมป์โลกเราวิ่งให้เร็วกว่าเพื่อนอยู่คนเดียวก็พอละ นะเสือมันจะไปกินไหนก่อนนั้นก่อนนะแล้วเราก็หนีได้หนีทันานะฉนั้นเห็นหม า, าวิ่งมาใจเรากลัวรู้ว่ากลัวนะแล้วก็รีบหาทางหนีไปซะนะดูข่าวนะดูข่า ว, นะาวเห็นน้ำท่วมไม่สบายใจรู้ทันว่าไม่สบายใจดูข่าวว่าน้ำลดแล้วพอใจรู้ว่าพอใจ เนี่ยคอยรู้ทันจิตใจของเรานะีจิตใจเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่มีการกระทบอารมณ์ตาเรามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนเราเห็นของสวยของงามใจเรามีความสุขรู้ว่าใจมีความสุขเห็นของน่าเกลียด น, น่ากลัวนะใจเราขยักขยแยงขึ้นมาอย่างเห็นคนถูกรดทับแบน แ, แต้แต่เนะื้อเละเทะอะไรเงี้ยใจเราสยดสยองนะรู้ทันใจที่สยดสยองนี่หัดจเจริญสติอย่างนี้แหละนะเวลาหูได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยน อย่างบางคนได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมใจเราเศร้าขึ้นมารู้ว่าใจเศร้าบางคนได้ยินเสียงอย่างนี้ขึ้นมาใจสดชื่นอย่างเช่นเสียงหัวหน้าชมนะเสียงอาจารย์ชมว่าโอ้เก่งจังอย่างนอ้นอย่างนี้นะใจพองขึ้นมาเลยใจพองให้รู้ทันว่าใจนี้พองขึ้นมานะใจดีใจแล้วนะคอยรู้ทันใจนะคอยรู้ทันใจของตัวเองเมื่อตามองเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่น เมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งคคยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตตัวเองะนะเห็นดอกไม้สวยงามนะดอกไม้สวยงามนะใจมันชอบรู้ว่าชอบเห็นดอกไม้สวยแล้วก็คิดถึงว่าเนี่ยเคยมีแฟนมานั่งใต้ต้นไม้ต้นนี้นะต้นไม้นี่ออกดอกตอนนั้นมีความสุขตอนนี้เขาไปอยู่กับคนอื่นลว นะอกหักสะลนะเห็นดอกไม้ตน้ตนนี้ที่ไรนะเศร้าใจเลยรู้ทันว่าเศร้าใจนี่แหละฝึกสติในชีวิตประจำวันฝึกกันอย่างนี้นะไม่ใช่ฝึกเดินไม่ให้ตกท่อนะนั้นมันตื้นไปนะฝึกรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองเวลาที่จมูกเราได้กลิ่นจิตเราเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเราได้กลิ่นหอมๆนะจิตเราชอบเนี้ยมันมีความสบายใจมีความพอใจเกิดขึน้นได้กลิ่นเน่าๆกลิน่นเหม็นๆอะไรเงี้ยใจมันไม่ชอบ รู้ทันว่าใจไม่ชอบลนะิ้นจะทบรถอย่างรถอาหารอย่างนี้ใจเราชอบนะเราชอบได้รถอย่างนี้มันก็พอใจได้รถอย่างนี้ไม่พอใจเนี่ยรู้ทันที่ใจของตัวเองนะใจเราคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนเนชะ่นคิดเรื่องนี้ไปนั่งอยู่ดีๆก็หน้าของคนคนหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาหน้าของคนคนนี้เป็นคนที่เราเกลียดเราไม่ได้เจตนาจะนึกถึงเลยอยู่ๆหน้ามันก็โผล่ขึ้นมาพอหน้ามันโผล่ขึ้นมา พอ เ, เราใจมันไปนึกถึงหน้าของคนคนนี้ขึ้นั้นใจมันเกลียดขึ้นมาเลยให้รู้ทันว่าใจมันเกลียดละหรือนะใจมันโกรธขึ้นมารู้ว่ามันโกรธละอยู่ๆนั่งอยู่ดีๆหน้าของอีกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมานะเป็นคนที่เราชอบนึกถึงแล้วมีความสุขความสุขเกิดขึ้นที่จิตละเรารู้ทันนี่แหละเราฝึกอย่างนี้นะฝึกในชีวิตประจาวันก็คือเปิดตาหูจมูกลิ้นกาใจให้กระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาพอกระทบอารมณ์แล้วเนี่ย คอรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจตนเองไว้นะพวกเราลองฝึกดูนะเราจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะไม่น่าเชื่อก็จะต้องเชื่อเนะพราะเราจะเห็นด้วยตัวเองเลยเราจะเกิดพัฒนาการทางจิตวิญญาณที่แปลกประหลาดนะอย่างเราเคยเมีความทุกข์มากนะเราหัดรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจบ่อยๆนะต่อไปความทุกข์จะน้อยลงโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันนะเราเคยขี้โมโห รู้ทันใจบ่อยๆนะความโกรธความขี้โมโหก็ลดลงนะเคยใจร้อนความใจร้อนก็จะลดลงเคยร้ายๆมันจะเปลี่ยนไปงั้นเราคอยมหัดรู้ทันจิตใจของเราเองแต่ละคนอยากมีคนรู้ใจแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ใจตัวเองอยากให้คนอื่นมารู้ใจเรานะใจเราเองเรายังไม่ค่อยดูเลยต่อไปนี้เราลองมาเป็นคนรู้ใจตัวเองนะไม่ต้องไปให้คนอื่นมารู้ใจเราเราค่อยรู้ใจตัวเองไหมบ่อยๆ นี่แหละถ้าเราฝึกได้นะเราจะพบความเปลี่ยนแปลงที่อัศจรรย์ที่สุดเลยมีคนไปส่งกันบ้านไปรายงานผลการปฏิบัติแก่หลวงพ่อนะก็าฟังซีดีบ้างอ่านหนังสือบ้างไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยบางคนถ้าอุตสาห์ไปนะไปรายงานการปฏิบัตินะว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเขาเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงนะเขาเคยทุกข์นานเขาทุกข์สั้นลงทําไมคนเรามีความทุกข์ทางใจจิตมันหลงถ้าจิตไม่หลงไปคิดนะ จิตรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ความทุกข์ทางใจมันเข้ามาไม่ค่อยได้หรอกนะกิเลสมันจะเข้ามานะใจมันจะมีความทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าเรามีสติคอยรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราคอยรู้ทันเรื่นะรอยๆกิเลสครอบงำจิตใจไม่ได้ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกฝึกอย่างนี้ยากไปไหมถ้ายัางยากไปนะะเอาเอาง่ายๆกว่านี้ง่ายสุดยอดแล้วสุดยอดกว่านี้ไม่มีอีกละนะง่ายที่สุดเลย ในการที่จะฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันนะพอพูดว่าง่ายที่สุดเลยนะเริ่มหูผึ่งนะหูกลางๆขึ้นมาเป็นแถวแถวเลยชอบอะไรที่ง่ายๆ่านะให้คอยรู้ความรู้สึกสุขให้คอยรู้ความรู้สึกทุกข์ในใจตัวเองไว้ <c oughs> เวลาความสุขเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันนะนักศึกษานักเรียนอะไรเนี่ยนะ จำหลวงพ่อวันนี้จำที่เทศมาทั้งหมดไม่ได้นะจำเอาแค่นี้พอละต่อไปนี้เราจะคอยรู้ทันใจตัวเองจิตใจมีความสุขเราก็าจะรู้จิตใจของเรามีความทุกข์เราก็าจะรู้จำไว้นะตรงนี้แล้วไปหัดทาเอาเวลาตาเรามองเห็นเห็นบางอย่างมีความสุขเห็นบางอย่างมีความทุกข์เวลาเราได้ยินเสียง เรื่องราวบางอย่างฟังแล้วมีความสุขเรื่องราวบางอย่างฟังแล้วมีความทุกข์เสียงของบางคนเราฟังแล้วมีความสุขเสียงของบางคนฟังแล้วมีความทุกข์เนี่ยคอยรู้ทันใจเรามีความสุขขึ้นมาก็รู้ใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ฝึกเท่านี้พอแล้วนะฝึกแค่นี้แหละบรรลุมรรคผลนี้ผ่านได้ไม่ใช่ฝึกแล้วบรรลุมรรคผลไม่ได้นะการที่เราค่อยฝึกไปเรื่อยเราจะเห็นเว่าใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ คอยรู้ทันไปมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันรู้บ่อยๆเราจะเห็นเลยใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเปลี่ยนทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์อยงใจเราคิดเนะี่ยคิดบางเรื่องมีความสุขคิดบางเรื่องมีความทุกข์อย่างพวกเด็กๆคนหนุ่มคนสาวนะคิดไปอนาคตนะัมีความสุขคนแก่ๆหน่อยก็คิดไปอดีตนะัมีความสุขเนะี่ย คนแก่นะคิดไปอนาคตไม่ค่อยมีความสุขและห่อเหี่ยวนะมีแต่ความเจ็บความตายความแก่ความพลัดพรากรออยู่ข้างหน้าเด็กๆก็ฝันไปถึงอดีตนะไม่ค่อยฝันหรอกนะไม่อยากฝันถึงอดีตฝันไปถึงอนาคตคิดถึงอนาคตมีความสุขนะั่นเราคอยรู้ทันนะใจเราคิดไปความรู้สึกสุขเกิดขึ้นรู้ทันใจเราคิดไปความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นรู้ทัน ตาเรามองเห็นความรู้สึกสุขเกิดขึ้นรู้ทันความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะกายกระทบสัมผสัสอย่างอากาศร้อนๆเนี่ยลมเย็ยนๆพัดมามีความสุขไหมนะอากาศร้อนๆน้พัลมเย็ยนๆพัดมาก็มีความสุขอากาศกำลังหนาวจัดเลยลมเย็นๆพัดมานะมีความทุกข์นะลมอย่างเดิมนี่แหนะแต่พอมากระทบร่างกายเนี่ยนะใจเราแปลออมาคนละแบบทีก็มีความสุขงทีก็มีความทุกข์ ให้คอยรู้ทันความสุขความทุกข์ที่เกิดที่ใจตนเองรู้บ่อยๆนะนี่แหละกรรมฐานตรงนี้เอาไปทำดูนะลองฝึกอยู่ในชีวิตรจริงๆเลยแต่ก่อนที่จะฝึกได้ต้องหัดรู้สึกตัวเป็นก่อนนะถ้าใจลอยใจฟุ้งซ่านเอาแต่คิดเรื่องน้นเรื่องนี้นะไม่สามารถจะรู้ทันความสุขความทุกข์ในใจตัวเองได้นะถ้าจิตใจไม่ลืมตัวเองนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว ตาหูจมมูกลิ้นกใจกระทบอารมณ์แล้วมีความสุขมันก็รู้ได้มีความทุกข์มันก็รู้ได้ค่อยรู้บ่อยๆการที่เรารู้บ่อยๆเนี่ยต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวตรงนี้สําคัญ น, นะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนะใจเราจะเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆเวลามีความสุขเกิดขึ้น ถ้าคนทั่วไปเขาไม่เคยภาวนาเขาจะหลงระเริงมีความสุขแล้วหลงระเริง <S <S เพลิดเพลินพอใจพอความสุขนั้นผ่านไปเขาก็เสียอกเสียใจแต่ถ้าเราหัดคอยดูจิตใจของตนเองเรื่อยๆเราจะพบว่าความสุขมาอยู่ชั่วคราวแล้วความสุขก็ไปงั้นเวลาที่ความสุขเกิดขึ้นนะเราจะไม่หลงระเริงเราจะไม่ประมาทเราจะไม่หลงไปเลยว่าความสุขจะต้องอยู่กับเรานี้รันดอนนะความสมหวังใดๆเกิดขึ้นเราก็ไม่คิดว่ามันจะต้องอยู่กับเรานี้รันดอน ตำหนองเดียวกันความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุรนทุรายนะเรารู้ว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นเราหัดกรรมฐานนะทีแรกหัดรู้ทันใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้นะพอใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้หัดรู้บ่อยๆต่อไปมันจะเกิดปัญญาคือมันสรุป ข, ขึ้นมาได้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราว ใจเราจะไม่หลงยินดียินร้ายไปกับความสุขความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นไม่หลงระเริงไปคิดว่ามันจะอยู่ตลอดความทุกข์เกิดขึ้นไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะรู้ถันว่าไม่นานมันก็ผ่านไปไม่มีหรอกความสุขถาวรไม่มีหรอกความทุกข์ถาวรมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดทั้งสิ้นการที่เราเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนั้นใจเราจะเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์เราเคยได้ยินคําว่าตัณหาไหมตัณหา ใครเคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูสิมีใครเคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทในปฏิจจสมุปบาทนะท่านสอนไว้บอกเวทนาเป็นปัจจัยของตัณหาเคยได้ยินไหมเวทนาเป็นปัจจัยของตัณหาเวทนาก็คือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นี่เองแต่ utta, ถ้าจะพูดให้เต็มยศก็มีรู้สึกเฉยเฉยอีกอย่างหนึ่งรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉย พอมีความสุขเกิดขึ้นใจมันก็มีความอยากอยากอะไรอยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขหายไปก็อยากให้ความสุขกลับมาเร็วๆไหมเวทนาเลยเป็นปัจจัยของตัณหาของความอยากความทุกข์เกิดขึ้นใจก็มีความอยากอยากให้ความทุกข์หายไปเร็วๆความทุกข์หายไปแล้วเราก็อยากให้มันไม่มาอีกเนี่ยมีความอยากเกิดขึ้นเมื่อมีความอยากเกิดขึ้นนะใจจะดิ้นรนทันทีเลยใจจะเกิดความดิ้นรนนะ มีตัณหาเมื่อไร่ความทุกข์ก็เกิดเมื่อนั้นความทุกข์ทางใจเกิดเพราะตัณหาเพราะความอยากความอยากเกิดเพราะเราไม่รู้ทันความจริงของเวทนาคือความจริงของความสุขความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองงั้นเรามาหัดรู้ความจริงของความสุขความทุกข์ในใจของเรานี้ดูบ่อยๆจนกระทั่งปัญญามันเกิดมันเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความเฉยๆก็เป็นของชั่วคราว เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วตัญหามันจะไม่เกิดมันเกิดความอยากขึ้นมาได้นะเพราะมันไม่รู้ความจริงของความสุขความทุกข์นั่นเองถ้าเราคอยดูความสุขความทุกข์บ่อยๆความสุขเกิดขึ้นรู้ทันอยู่ชั่วคราวมันก็หายไปแล้วความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้เฉยๆนะอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปไล่มันอย่าไปเกลียดมันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันเราก็จะเห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปตรงนี้เป็นหลักการปฏิบัติที่สําคัญมากเลยนะ การที่เราเคยรู้ความสุขความทุกข์ในใจตนเองนะั้นมันจะทําลายตัณหาทําลายความอยากตัณหานะนะั่นแหละพวกเราชาวพุทธธรู้จักดีว่ามันแปรมันเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวที่ทําให้จิตใจของเรามีความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉนั้นเะมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมีความสุขรู้ทันเห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมารู้ทันอีกก็จะเห็นว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวสุดท้ายก็จะเห็นว่า สุขทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวถ้าจิตเห็นตรงนี้จิตเจอหมดความดิ้นรนหมดความอยากนะไม่อยากแล้วว่าอยากอะไรคนในโลกนี้ก็อยากมีความสุขอยากหนีความทุกข์ก็มีอยากอยู่แค่นี้แหละอยากได้ความสุขนะอยากให้ความทุกข์ไม่หมามก็มีอยากเรื่องสุขเรื่องทุกข์อยู่แค่นี้เองจะร้อยอยากพันอยากแล้มันก็อยากลงมาเจะหาความสุขจะหนีความทุกข์ก็มีอยู่เท่านี้แหละนะงั้นถ้าเรารู้ทันนะความสุขความทุกข์ก็หลอกเราไม่ได้ความอยากมันก็ไม่มี ถ้าความอยากไม่มีใจจะไม่ดิ้นรนทุกวันนี้ใจเรามีความอยากเกิดขึ้นมากมายทุกคราวที่ใจมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นนะงั้นเราคอยจกกัดการต้นต่อของมันทําลายความอยากนะ ท, Process, ทําลายความอยากทําลายตัวปัญหาที่เกิดขึ้น ใ, ในใจเราด้วยการมีปัญญารู้ว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนะอันนี้เป็นขั้นต้นๆ น, น, นะ อวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของอริยสัจอริยสัจข้อหนึ่งคือตัวทุกคือตัวขันห้าต้องฝึกเจนกรทั่งเห็นนะกระทั่งตัวจิตยังเป็นตัวทุกขถ้าเห็นถึงตัวจิตเป็นตัวทุกขจะปล่อยวางความยึดถือจิตแล้วยังไม่ยึดอะไรในโลกอีกนะตัณหาจะไม่มีอีกต่อไปนะแต่ของเรายัางฝึกไม่ถึงขั้นนั้นนะขั้นนั้นเอาไว้ให้พระอนาคามีเขาฝึกกันของเราเป็นอนาคาราคาสังเอเอาแค่รู้ทัน ความสุขเกิดรู้ทันความทุกข์เกิดรู้ทันนะถึงวันหนึ่งจิตจะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ความอยากมันจะหายไปจะหายไปชั่วคราวแหละเดี๋ยวมันก็หลงสุขหลงทุกข์มันมาอีกแต่ฝึกไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งปัญญามันปิ๊งขึ้นมาเลยจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ไม่ได้ยึดมั่นเลยเราไปยึดมั่นในสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะเห็นว่ามันนําความสุขมาให้ก็เห็นว่ามันนําความทุกข์มาให้สิ่งที่เรายึดนะนำความทุกข์มาให้เราก็ยึดนะ เราก็เกลียดมันก็จดจอ่อจดจ้องใส่มันมันนําความสุขมาให้เราพยุดมันมันนำความทุกข์มาให้เราพยุดมันถ้าเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่มีสาระแก่นสารเราจะไม่ยึดอะไรหรอกค่อยๆฝึกนะยากไปไหมถ้ายากลนะสรุปง่ายๆนะเราจะง่ายขั้นแรกเอาเลยเลยง่ายๆที่สุดเลยนะจําไว้นะถือศี่ห้าไว้ก่อนขั้นที่สองฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะ ขั้นที่หฝึกรักษาศี่ห้าไว้ขั้นที่สองฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยอย่าฟุ้งซ่านพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราค่อยมาเรียนรู้ความจริงความสุขในใจก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ในใจก็เป็นของชั่วคราวนี่เรียกว่าขั้นเจริญปัญญาและเนี่เราฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละนะอย่านักศึกษานะเห็นอาจารย์คนนี้ใช่ไหมเกลียดใช่ไหมมีไหมมีอาจารย์ที่เราเกลียดไหม มีแต่อย่าบอกนะเรารู้ไว้ในใจมีอาจารย์ที่เรารักอะไรเงี้ยเห็นคนนี้ใจเราก็มีความทุกข์ขึ้นมาเห็นอาจารย์คนนี้ใจเรามีความสุขขึ้นมาเราชอบวิชานี้นะเรียนวิชานี้เราก็มีความสุขเรารู้ว่ามีความสุขเรียนวิชานี้มันทุกข์นะเราไม่ชอบเลยใจมันมีความทุกข์ขึ้นมารู้ว่ามีความทุกข์นี่แหละฝึกคอยรู้ทันความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ของตนเองรู้สึกได้ทั้งวันยิ่งดียิ่งรู้สึกได้บ่อย จิตมันจะยิ่งสรุปเร็วนะว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวถ้ามันสรุปของมันได้แล้วเนี่ยความสุขมามันไม่หลงยินดีความทุกข์มามันไม่หลงยินร้ายนะจะเป็นกลางกับสุขและทุกข์เมื่อจิตเป็นกลางนะจิตจะไม่ฟุ้งไม่ปรุงต่อไม่มีตัญหาเกิดขึ้นนะวันนี้เอาเท่านี้ก็พอนะเรียนมากวันนี้ก็ลำบากลนะสรุปว่าข้อแรกรักษาศีห้ไว้ข้อสอง ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าเอาแต่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ลืมตัวเองทั้งวั น, นพอรู้เื้อรู้ตัวเป็นแล้วคอยรู้ทันเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จกนกระทั่งเห็นว่าความสุขความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวฝึกอย่างนี้แหละมาก่อนนี้ผ่านไม่หนีไปไหนหรอกนะครับก็มีคําถามที่จะเรียนถามหลวงพ่อนะครับเพราะว่า โดยมากเนี่ยนะครับนิสิตนิสิตที่มาเรียนเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องความรักเรวนิสิตเนี่ยมักจะอกหักอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะครก็ก็เรียนถามหลวงพ่อว่ากรณีที่นิสิตเนี่ยอกหักเนี่ยจะต้องทํำยังไงครับอกหักก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะอกหักทีแรกหรอกที่เดือดร้อนมากนะอกหักครั้งที่สิบก็เฉยเพราะความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะ ความทุกขในใจเราเวลาอกหักมีความสุขหรือมีความทุกข์อ่ะงั้นเราหัดรู้ทันใจเราเสิหัดรู้ทุกวันทุกวันนะพออกหักมาใจมีความทุกข์เรารู้ทันเลยว่าใจมันมีความทุกข์นั่งดูมไปเรื่อยๆความทุกข์ไม่เจี่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนบางคนนะนักศึกษาก็กลัวเรื่องอกหกักพอโตขึ้นมาเรียนหนังสือเสร็จแล้วมาทํางานนะกลัวตีนกานสาวสาวนี่กลัวมากเลยตีนการอันแรกทนะุกข์มากใช่ไหม อันที่สิบเฉยๆแล้วะโอกหักหลายๆทีก็เฉยไปเองแหละจริงๆอกหักก็ไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีหรอกความทุกข์ถาวร น, นะไม่มีหรอกทุกอย่างก็เป็นของชั่วคราวหมดเลยถ้าใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้เราไม่ทุกกับมันหรอกง่ายไหมอกหักไม่ยากกตายก็ถูกอีกอไรถ้าอกหักนะเป็นทุกข์รู้ทันเดี๋ยวมันก็ไป หลาบนมาตรการหลวงพ่อคะ่ะดิฉันก็ถามไม่เป็นนะคะแต่ว่าอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าความรู้สึกของตัวเองไม่ทราบว่าที่ปฏิบัตินี้จะถูกหรือเปล่าเช่นความรู้สึกของเราแต่ละวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางวันบางครั้งก็รู้สึกเออวันนี้สดชื่นอิม่มใจเป็มใจรู้สึกมันอะไรมันก็สวยมันมองอะไรมันก็สวยค่ะ แต่บางวันรู้สึกมันห่อเหี่ยวอแล้วก็มันตึดอัดแต่ก็ไม่ทราบว่าสาเหตุอะไรก็ความจริงมันก็ไม่มากไม่มายอะไรก็ไม่มีอะไรมากแต่วันๆมันรู้สึกมันมันเปลี่ยนบ่อยอะค่ะอ้าวยิ่งฝึกชํานาญจะรู้เลยอย่างทีแรกยังไม่ชํานาญนะแล้วก็จะรู้สึกวันนี้มีความสุขวันนี้มีความทุกข์เพราะพอนาเก่งขึ้นนะจะพบว่าในวันเดียวกันเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกก็เปลี่ยน ที่นั่งนี่ก็รู้สึกหลายหดแล้วอ๋ออย่างนั้นยิ่งเก่งยิ่งเปลี่ยนบ่อยยิ่งดีอ๋อแบบนี้เหรอคะเร า, าต้องการเรียนเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างไม่คงที่ถ้าสติเราเร็วจริงๆนะเราจะพบว่ามันเปลี่ยนอยู่ทุกคราวเวลาตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนบ่อยนั่นยิ่งบ่อยยิ่งแสดงว่าสติเร็วก็อยากจะข อ, อะกราบเรียนหลวงพ่อว่า มีอะไรที่หลวงพ่อจะแนะนำเผื่อยังไงก็จะได้เป็นบุญติดตัวไว้เป็นาาต้นทุ น, นะะอาจารย์ไปดูไว้นะเวลาความสุขเกิดขึ้นเรายินดีไหม<ก>เวลาความทุกข์เกิดขึ้นเรายินร้ายไหมนะให้คอยรู้ทันความยินดียินร้ายต่ออารมณ์ทั้งหลายก็มันเป็นบ่อยๆอ ะ, ะ่ะนะให้รู้ทันตัวนี้แหละแล้วจะเห็นหน่อยว่ายินดีก็ชั่วคราวยินร้ายก็ชั่วคราวแล้ว ท, ที่ที่ปฏิบัติมาอย่างนี้นะคะถูกต้องไหมคะ มันก็ถูกนะแต่มันก็ถูกเป็นลําดับลําดับอ่ะก็ไม่ทราบว่าฉะนั้นต่อไปนี้อาจารย์พอใจเรามีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปนะแล้วมันยินดีรู้ทันมันยินร้ายรู้ทันนี่แหล่เติมตรงนี้ลงไปก็ทัางนั้นก็ดําเนินต่อแบบนี้ใช่ัหมคะขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะแต่ละวันพยายามทําในรูปแบบบ้างทําไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกลมอะไรเงี้ยจะทาให้จิตมีพลัง นะถ้าจิตเราไม่ม oh ีพลังจะเดินปัญญาประเดี so ๋ยวประด้าก็หมดแรงแล้วมันจะฟุ้งฟุ้งซ่านแล้วเจริญปัญญาไม่ได้จริงนะแต่ว่าจะทําสมาธิอยู่กระทั้งนิ่งทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตนะก็ไม่เดินปัญญาอีกแต่คืออย่างทาสมาธิก็ไม่ไม่ค่อยได้ทำอะฮะเพราะว่าก็จะมีธุรกิจอะไรต่อนไลเรื่อยๆซึ่งมันก็เปลี่ยนอารมณ์ไปผ่านวันแล้วอาจารย์เอาอย่างพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวงานเยอะเยอะกว่าเราแน่เลย ท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อกเกษมเขมมโก้ฟังว่าท่านให้ท่านแบ่งเวลานะาท่านมีเวลาว่างสมนาทีหนาทีอนะไรเนี่ยท่านปฏิบัติอาจารย์เอาบ้างสิตอนนีน้นักศึกษามาพบนักศึกษายังเดินมาไม่ถึงคนระับเราก็ดูทันดูกายดูใจของเราเก็บเล็กเก็บน้อยไปได้ได้เยอะนะวันวันหนึ่งเพราะวันวันหนึ่งเราเอาเวลาไปใจลอยเนี่ยเยอะมากเลยขอบพระคุณหลวงพ่อมากมากเลย เดี๋ยวเวลาหลวงพ่อมาสุรินก็จะตามไปอีกแหละจิตถึงฐานไหมก็ไม่เข้าใจนะคะที่หลวงพ่อพูดค่ะสังเกตดูจิตเราชอบหนีหนีไปคิดเรื่อยๆดูออกไหมก็เป็นบางครั้งค่ะถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่จะถึงฐานก็เป็นบางครั้งค่ะก็ะแสดงว่าตั้งมั่นบางครั้งแล้าฝึกเรื่อยๆน ะ, ะจิตใจเราอยู่กันเนื้อกับตัว ยืนเดินนั่งนอนนะั้นรู้สึกตัวตลอดเลยอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยนะตอนหลับยังรู้สึกเลยจะพลิกซ้ายพิกขวานะืรู้หมดเลยก็จะได้ดําเนินการแบบนี้ต่อไปอขอบพระคุณหลวงพ่อคะ่ะกลาวถมรดการหลวงพ่อครับมีคําถามจากนิสิตมาสามคำถามนะครับคําถามที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนแล้วรู้สึกอึอดอัด รู้สึกว่าเพื่อนคนนี้หวังแค่ผลประโยชน์ต่อเรามไม่มีความจริงใจควรทำอย่างไรครับอืพูดง่าย อ, <c oughs> อันแรกเลยมันจริงหรือเปล่ารเราอยู่กับคนนี้อึดอนะัดอันนี้เป็นความจริง <c oughs> พิสูจน์ได้แล้วเข้าใกล้คนนี้แล้วอึดอัดสรุปได้แต่ตรงถัดไปนี่มันยังสรุปไม่ได้จริงเขาหวังแต่ผลประโยชน์อะไรเงี้ย อันนี้เป็นความรู้สึกของเราต่อเขาอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะกล่าวร้ายเพื่อนก็ได้เั้นก่อนอื่นเราต้องมาวัดใจตัวเองก่อนใจเราเกลียดเขาให้รู้ทันใจที่เกลียดเพอถ้าเรารู้ทันใจที่เกลียดแล้วเนี่ยความเกลียดนั้นจะหายไปใจเราจะเป็นกลางพอใจเราเป็นกลางแล้วเราค่อยดูเขาอีกทีหนึง่งว่าเขาเลวร้ายจริงอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแต่เราเข้าใกล้เขาเราอึดอัดอันนี้เป็นแฟกต์ไม่ผิดหรอก แต่หลังจากนั้นนะเราบอกว่าเขาเห็นแก่ตัวอะไรต่ออะไรอันนี้เราอาจจะคิดเองก็ได้งัา น, นเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเหมือนกันวิธีให้ความเป็นธรรมกับเขานะรู้ทันที่จิตของตนเองก่อนใจเราไม่ชอบเขารู้วไม่ชอบถ้ารู้ได้นะใจอย่าเป็นกลางมีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งนะคือมีพระเจ้าแผ่นดินองหนึ่งนะท่านนับถือพระปัจเจกกับพุทธเจ้า แล้วก็นิมนต์พระปัจเจกกับพุทธเจ้ามาอยู่ในอุทยานในสวนนั่นแหละให้คนเฝ้าสวนเนี่ยดูแลพระปัจเจกับพุทธเจ้าอยู่นนี้วันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินออกไปตรวจราชการนะไม่อยู่ในเมืองอีตาคนเฝ้าสวนเนี่ยแกทําอะไรอย่างหนึ่งนะแล้วอุบซิเหต์พระปัจเจกกับพุทธเจ้ามรณภาพนิพพานนะแกรู้เลยว่าถ้าจะอยู่เนี่ยแกตายแน่เลยเพราะพระเจ้าแผ่นดินนับถือที่สุดเลยแกหนีเลย แกหนีออกจากเมืองไปไปซ่อนตัวอยู่ไปซ่อนอยู่ปีหนึ่งนะแล้วก็ส่งคนมาบอกพระเจ้าแผ่นดินว่าอยากจะขอกลับมาอธิบายว่าเรื่องมันเป็นยังไงพระเจ้าแผ่นดินบอกอย่ามาให้เห็นหน้านะผ่านไปปีที่สองก็ส่งคนมาแบบเนี้พอหลายหลายปีนะพระเจ้าแผ่นดินบอกให้มาได้พอมาถึงเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินก็สอบเลยว่าทำไมไปทำพระปัจเจับพุทธเจ้านิพพานสอบไปสมาเป็นอุบัติเหตุ พ้นวิสัยไม่ได้เจตนาเลยนะเป็นอุบัติเหตุจริงๆก็ยกโทษให้นะไม่ลงโทษให้ตำแหน่งเฝ้าสวนอย่างเดิมนไม่ไม่ได้บอกด้วยว่าตกเบิกให้หรือเปล่านะระหว่างนั้นพวกอธิมาตดไปถามพระเจ้าแผ่นดินว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่ให้อิตาคนเฝ้าสวนนี้มาพบพระเจ้าแผ่นดินบอกว่ายังโกรธอยู่ถ้ายังโกรธอยู่แล้วมาตัดสินคดีนี่นะไม่เชียงธรรม เราลองดูสิเรายังเกลียดเพื่อนเราอยู่นะแล้วเราตัดสินเพื่อนเราเนี่ยไม่เที่ยงธรรมนะสาธุครับคำถามที่สองครับตอนสมัยเรียนมัธยมด้วยความรักสนุกไม่คิดจริงจังอะไรคิดว่าเป็นเรื่องเล่นหมดเคยช่วยเพื่อนทำแท้งอตอนนี้รู้สึกกลัวบาปนั้นมากมถึงแม้จะพยายามทำบุญแต่ก็คิดถึงเรื่องนี้เสม อ, อม มันทําไปแล้วนะหลักของจิตใจมันมีอย่างนี้นะถ้าเราทําความดีแล้วเราคิดซ้ำเนี่ยจิตจะขึ้นวิถีที่เป็นกุศลอีกครั้งหนึ่งงั้นอย่างเราทําความดีอะไรนิดหน่อยนะให้ข้าวหมากินหนึ่งมือ้อเราคิดทุกวันเลยนะพยายามคิดเช้าสายบ่ายเย็นเหมือนเราเลี้ยงหมาทั้งวันเลยในขณะเดียวกันถ้าเราทําอกุศลทําบาปไปแล้วแล้วเราคิดซ้ำนะจิตมันจะขึ้นวิถีที่เป็นอกุศลซ้ำอีกนะเพรางะะั้นอย่าไปคิดมัน อดีตจบไปแล้วต่อไปนี้ทำดีอย่าไปทำความผิดซ้ำขึ้นมาอีกนะอดีตปล่อยมันไปช่วยไม่ได้แล้วนะครับผมคำถามสุดท้ายนะครับเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วใจลอยเหมือนคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดค่ะจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรคะครใจธรรมชาติของใจนะจะลอยไปลอยมาห้ามมันไม่ได้หรอก มันก็ต้องมีอุบายวิธีในการทำสมาธินะอันแรกเราต้องเลือกอารมณ์ของสมาธิซะก่อนว่าอารมณ์ของสมาธิชนิดไหนที่เราอยู่ด้วยแล้วจิตใจมีความสุขต้องรู้จักเลือกไม่ใช่เห็นว่าคนอื่นเขาพุโทโธหรือเขาหายใจแล้วเขาก็าทำสมาธิได้แล้วเราจะต้องได้ตามเขาไม่จำเป็นเลยแต่และคนไม่เหมือนกันหรอกคนไหนชอบพุโทโธนะพุโทโธแล้วสบายใจนะเราก็พุโทโธ ถ้าเมื่อไรเราพุโทโธด้วยความสบายใจนะจิตจะไม่หนีไปที่อื่นโดยที่เราไม่ได้บังคับสมาธิจะเกิดสมาธิไม่ได้เกิดจากการบังคับจิตนะแต่สมาธิเกิดเพราะว่าจิตเนี่ยมันพึงพอใจมันเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มันมีความสุขงั้นเคล็ดลับของการทําสมาธิก็คือการรู้จักเลือกอารมณ์ที่จิตมีความสุขที่อยู่ด้วยอย่างหลวงพ่อนะมีคราวหนึ่งไปหาอาจารย์มหาบัวคนรุ่นหลังๆจะเรียกท่านว่าหลวงตาบัว ไปไปหาท่านนะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยจิตหลวงพ่อตอนเนี้ยนะที่ว่าดูจิตดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้เนี่ยหลวงตามหาบัวท่านบริกรรมพุทโธพุทโธนะตั้งแต่แรกจนจะทั้งเป็นที่พออกพอใจของท่านเลยตั้งแต่ต้นจนจบของท่านอ่ะท่านว่ายอย่างนั้นเ น, นี่ท่านบอกว่าหลวงพ่อบอกอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ หลวงพ่อก็มากลับมานะรีบมาพุโทโธใหญ่เลยพุโทโธพุโทโธพุโทโธนั้นจิตทุกข์เหมือนทุกข์ใหจะระเบิดเลยรู้สึกว่าพุโทโธนี้เป็นส่วนเกินจิตไม่เอาพุโทโธพระจิตมันไม่ยอมมาเอาพุโทโธอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าดีดีพุโทโธดีก็มาพิจารณาว่าทําไมครูบาอาจารย์ให้ให้พุโทโธก็พบว่าอ๋อเพราะจิตเราฟุ้งออกไปข้างนอกจิตเราไม่ถึงฐานนั่นเองไม่ตั้งมั่น แล้วก็เลยอ๋อถ้าจะทำให้จิตตั้งมั่นเราก็อยู่กับลมหายใจพระหลวงพ่อฝึกอนาปานาสติมาตั้งแต่เจ็ดขวบมาหายใจนะหายใจแป๊บเดียวก็สงบนะจิตก็รวมเข้ามา ก, ก็มีพลังก็พัฒนาต่อได้เพราะงั้นเราต้องรู้จักเรื่องอารมณ์ไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์พุทโธเราก็ต้องพุทโธครูบาอาจารย์หายใจก็ต้องหายใจแต่อารมณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีเงื่อนไขยอยู่ข้อนึงต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยัวย่วกิเลส ถ้าเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสหรือผิดศีลผิดธรรมนะถึงอยู่แล้วมีความสุขมีความสบายใจก็อย่าไปเอานะมันจะมีผลที่ไม่ดีในภายหลังอย่างบางคนตกปลาแล้วสงบมีไหมตกปลาแล้วสงบในวรรณคดีมีอยู่คนหนึ่งตกปลาแล้วสงบใครรู้ไหมใครจําได้ใครเคยได้ยินชื่อของเบ้งบ้างนึกออกไหมอ๋อเลยใช่ไหมอ่าเขายกทัพจะมาตีเสฉวนยกมาตั้งหลายทิศทางใช่ไหมเสฉวนเพิ่งจะตั้งตัวใหม่ๆ นะเล่าปีก็เพิ่งจะตา ย, ยไม่รู้จะสู้ยังไงผงเบ้งเป็นนั่งตกปลาเอสตายยังไม่รู้นะอาจจะยังไม่ตายก็ได้ผมวพ่อจำไม่ได้แล้วเล่าปีกแต่ตอนนี้ตายแล้วนะองเบ้งคิดไม่ออกผงเบ้งเป็นนั่งตกปลาสบายใจผ่อนคลายนะผ่อนคลายนะนะสมองแจ่มใสคิดออกแต่เรื่องการปฏิบัติเนี่ยยงเว้นนะตกปลาอย่าไปเอาเลยนะมันมีผลไม่ดีในภายหลังนะ เราเลือกอารมณ์ที่เป็นกุศลและอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลเรื่อยๆใจมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันใดใจไม่ฟุ้งซ่านไปอารมณ์อื่นเมื่อใจอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นใจก็มีสมาธิหลักของสมาธิแค่นี้เองงั้นในอภิธรรมถึงสอนบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิต้องมีความสุขสมาธิถึงจะเกิดถ้าพุโทโธพุธโทโธพุธโทพโุทโไม่มีความสุขไม่เกิดหรอก หายใจไปแงนะไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดหรอกนะงั้นเราต้องเลือกนะบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้ามีความสุขเนะี่ยคิดถึงธรรมะคิดถึงพระสงฆ์มีความสุขบางคนทำบุญให้ทานนะคิดถึงบุญถึงทานที่ทำแล้วมีความสุขจิตก็มีสมาธิทั้ทงนั้นแหละนะสมัยพุทธกาลมีพระองค์นะึ ท่านบวชแล้วท่านก็ไม่ได้อะไรเลยคนอื่นรุ่นเดียวกันนะเขาเป็นพระอราหันต์พระนาคาอนะไรท่านยังเป็นปุถุชนเต็มรูปอย่างเดิมจนกระทั่งท่านท้อแท้ใจนะวันหนึ่งท่านเอามีดโกนมาเชือดคอเลยรู้สึก ง, ง่หลายตายซ ะ, ะเชือดคอขนาที่เชือดคอไปก็นึกขึ้นมาเสียใจบวชมาทั้งทีไม่ได้อะไรติดตัวเลยแต่แล้วก็เฉลียวใจขึ้นมาว่าจะว่าไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ใช่นะ ตั้งแต่บวชมาเนี่ยตั้งใจรักษาศีลอย่างเข้มงวดเลยไม่เคยด่างพลอยเรื่องศีลอยเลยพอใจคิดว่ามีศีลอย่างดีไม่ด่างพลอยนะใจมีความสุขใจมีความสุขสมาธิเกิดนะสมาธิเกิดท่านเดินปัญญาต่อเลยดูกายดูใจมันร่างกายมันจะตายใจเป็นคนดูนะท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายนะแต่อันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะ mm. เรียนแบบตายแง่แก่ ทำไมแค่คิดเรื่องรักษาศีลอย่างดีสมาธิก็เกิดเห็นไหมงั้นสมาธิจริงๆนะรู้จักเลือกอารมณ์นะอารมณ์อะไรที่คิดถึงแล้วมีความสุขก็ให้ใจอยู่กับอารมณ์นั้นใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อันเดนใจก็จะมีสมาธิขึ้นมาเรียนหลักนะเรียนหลักเอาไว้ส่วนจะนั่งหายใจแล้วจะสงบไม่สงบทรงหน้าทรงหลังอะไรนี้ต้องมาเรียนกันในรายละเอียด นะแต่คัดแรกต้องให้ได้หลักซะ ก, ก่อนถ้าไม่ได้หลักนะทำสมาธิยากครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเราจ ะ, ะร่วมกันถวายสังฆทานโดยมีท่านผู้มยการสานักศึกษาทั่วไปนะครับเป็นตัวแทนตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าตามผมนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทาน และบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชจงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานแด่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเทินสาธุรับทรนซะหน่อยนะตามธรรมเนียม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 มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาศิลิสนิจจังุทาป จ, จายโนจัตตาโรธรรมาวัันตีอายุวันโนสุขขังพระลังอย่าลืมนะข้อที่หนึ่งถือศีลห้าข้อที่สองให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะอย่าฟุ้งหนีไปคิดทั้งวันลืมตัวเองข้อที่สใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ดูบ่อย นะ